พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐผู้ที่ตัดสู้ธรรมที่เลิศที่ประเสริฐที่จะพัฒนาจิตใจของผู้ที่ได้รู้ได้เห็นธรรมให้มีความสุขมากขึ้น ให้มีความเจริญมากขึ้นให้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตใจให้หมดสิ้นไปธรรมะวันนี้ที่พวกเราจะมาศึกษามาฟังกันนี้เรียกว่าอิทธิบาทสีคือคุณธรรมสี่ประการด้วยกันที่จะนำ พาจิตใจให้ไปสู่ความยิ่งใหญ่คำว่าอิทธิบาทนี้แปลว่าทางสู่ความยิ่งใหญ่อิทธิแปลว่าความยิ่งใหญ่บาทแปลว่าทางทางสู่ความยิ่งใหญ่คืออิทธิบาทถ้าใช้ภาษาใหม่ ก็เรียกว่ากุญแจสู่ความสำเร็จการที่เราจะทำอะไรต่างๆให้สำเร็จให้เกิดผลขึ้นมาตามความปรารถนาของพวกเราเราก็ต้องมีอิทธิบาทสี่ถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าในทางใดก็ตามทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีเราต้องมีอิทธิบาทสี่เป็นเครื่องมือเป็นกุญแจสู่ความสาเร็จดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะทำก็คือศึกษาว่าอิทธิบาทสี่มีอะไรบ้าง และจะต้องสร้างอิทธิบาสีขึ้นมาใ ห, ให้เป็นกุญแจที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไรอิทธิบาสีนี้ก็มีคุณธรรมอยู่สี่ข้อด้วยกันคือหนึ่งฉันทะแปบลบว่าความยินดีสองวิริยะแปบลบว่าความอุตสาหะภาคเพียรพยายาม 3. จิตตะแปบลบว่าการทุ่มเทชีวิตจิตใจ 4. วิมังสาแปบลบว่าความคิดใคร่ควรนี่คือองค์ประกอบของอิทธิบาทสีที่จะเป็นกุญแจนำสู่ความสำเร็จให้แก่ชีวิตของพวกเรา ไม่ว่าเราต้องการอะไรก็ตามอย่าไปเสียเวลากับการไปหาพระในโบสถ์พระในโบสถ์ช่วยเราไม่ได้เราไปจุดธูปเทียนสามดอกแล้วก็อธิษฐานขอให้ร่ำให้รวยขอให้เป็นใหญ่เป็นโตขอให้เก่งขอให้ฉลาดสิ่งเหล่านี้ขอได้แต่ ไม่มีผลจากการขอเพราะว่าการขอไม่ใช่เป็นเหตุและพระพุทธรูปก็ไม่ใช่เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความสำเร็จที่เราปรารถนากันความสำเร็จที่เราปรารถนากันนี้เกิดจากการมีอิทธิบาทีภายในใจของพวกเราเราต้องมีฉันทะความยินดี ยินดีในการกระทําเหตุที่จะทําให้เกิดผลที่เราต้องการขึ้นมาอ่านี่คือความว่ายินดีก็คือยินดีในเหตุยินดีที่จะกระทําเหตุที่จะทําให้เกิดผลขึ้นมาอ่าเช่นถ้าเราเป็นชาวนาชาวไร่เราอยากจะมีข้าวมากๆอือ เราก็ต้องมีความยินดีในการทานาเราต้องอปลูกข้าวในานา ม, มากๆาเมื่อเราปลูกข้าวในานามากๆ เ, าเดี๋ยวข้าวก็จะออกหลงออกมามากๆเราต้องมีความยินดีในการกระทาเหตุที่จะทาให้เกิดผลขึ้นมาในการที่เราจะทำให้เกิด ความยินดีขึ้นมาเราก็ต้องรู้ว่าผลที่เราต้องการนี้ดีอย่างไรวิเศษอย่างไรถ้าเราไม่รู้ว่าผลที่เราต้องการนี้ดีอย่างไรวิเศษอย่างไรความยินดีก็อาจจะไม่เกิดขึ้นมาก็ได้เช่นถ้าเราไม่รู้ว่าถ้าเราปลูกข้าวแล้ว ข้าวที่เราออกรวงมานี่เราไปขายจะจะได้กําไรหรือขาดทุนถ้าเราไม่รู้ว่าจะกําไรหรือเราไม่แน่ใจความยินดีในการปลูกข้าวก็อาจจะไม่มีก็ได้เพราะว่าถ้าปลูกแล้วเดี๋ยวเกิดเอาไปขายมันขาดทุนก็เสียเวลาไปเปล่า นอกจากเสียเวลาแล้วยังต้องเสียเงินเสียทองอีกแต่ถ้าเรารู้ว่าข้าวปีนี้ราคาจะดีปลูกข้าวแล้วจะขายข้าวได้ดีได้ราคามากอย่างนี้พอเรารู้ผลที่เราต้องการว่าจะเป็นผลที่ดีกับเราจะให้คุณให้ประโยชน์กับเรา ฉันทะคือความยินดีที่จะปลูกข้าวก็จะมาเองนะดังนั้นการที่เราจะมีฉันทะมีความยินดีนี้เราต้องศึกษ า, าให้รู้ว่าผลที่เราต้องการนั้นมีคุณค่ามีคุณประโยชน์กับเราอย่างไรเช่นเด็กสมัยนี้อยากจะเข้ามาหาลัยที่มีชื่อเสียง และอยากจะเรียนคณะที่มีคนต้องการเรียนมากเช่นคณะแพทยาศาสตร์กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ทำไมเขาถึงยินดีที่จะเรียนคณะแพทย์คณะวิศวะกันก็เพราะเขารู้ว่าถ้าจบเป็นแพทย์แล้วจะมีอาชีพที่สบายมีรายได้ดี ไม่เหมือนกับอาชีพชาวนาชาวไร่ถ้าเปรียบอาชีพของชาวนาชาวไร่กับเปรียบอาชีพของแพทย์นี่ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินแพทย์นี้ใช้สมองใช้มือส่วนชาวนาชาวไรน่นี้ต้องใช้กำลังแบกหามขุดดินอะไรต่างๆรายรับที่ได้จากการ กระทำก็ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินอันนี้คือเหตุจูงใจที่จะทำให้เกิดฉันทะขึ้นมามเด็กนักศึกษานักเรียนจึงมีความยินดีที่จะจะเข้าคณะแพทยาศาสตร์เข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์เพราะเขารู้ว่าพอจบไปแล้ว เขาจะมีงานทำที่ดีมีรายได้ดีมีชีวิตที่สุขที่สบายนั่นเองดังนั้นถ้าเรายังไม่มีฉันทะเรายังไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรเราก็ต้องศึกษาถามตัวเราเองก่อนว่าเรามีความสุขกับการมีอะไรกับการเป็นอะไร พอเรารู้ว่าเรามีความสุขกับการมีเงินมีทองเราก็ต้องศึกษาวิธีว่าทําอย่างไรถึงจะทําให้เรามีเงินมีทองเราก็ดูคนที่เขามีเงินมีทองเป็นตัวอย่างว่าเขาร่ารวยเขามีเงินทองเพราะเขาทําอะไร เพราะเขาเป็นแพทย์เพราะเขาเป็นวิศวกรหรือเขาเป็นผู้จัดการในบริษทัทใหญ่ๆอันนี้พอเรารู้แล้วเราก็จะได้มีความยินดีที่จะไปเรียนแพทย์เรียนวิศวกรรมหรือเรียนวิธีบริหารจัดการธุรกิจต่างๆ เพื่อที่เราจะได้เป็นเป็นหัวหน้าของบริษัทเป็นผู้จัดการของบริษัทอันนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องสร้างฉันทะขึ้นมาให้กับเราก่อนเราต้องมีความยินดีกับสิ่งที่เราต้องการ ในทางโลกก็เราก็ยินดีที่อยากจะมีาลาภยศสรเสิญมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นทางที่จะพาให้เราได้ไปสู่ความสุขจากาลาภยศสรเสิญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพพะก็คือการมีการศึกษาที่ดีนั่นเอง ถ้าเราเป็นนักเรียนเราก็ต้องตั้งใจเรียนเด็กสมัยนี้พอเข้าสู่มปลายนี้เรียนในห้องเรียนไม่พอต้องมาเรียนพิเศษหลังจากเลิกเรียนเพราะเดี๋ยวนี้การแข่งขันสูงการที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยนี้มีการแข่งขันที่สูงมากถึงแม้ว่าจะเรียนเก่งๆด้วยกันก็ตามแต่บางทีเก่งกัน เลือกันเพียงแค่ไม่กี่จุดเท่านั้นเองอก็จะทำให้ไม่สามารถเข้ามาหาวิทยาลัยได้เด็กจริงเดี๋ยวนี้พอเลิกเรียนแล้วต้องไปเรียนพิเศษต่ อ, อเด็กมปลายนี่เขาเริ่มเรียนพิเศษกันเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปสอบแข่งขันเพื่อเข้ามาหาวิทยาลายัยที่เขาต้องการ ถ้าเขามีคะแนนดีก็สามารถเข้ามาหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมีคุณภาพถ้าคะแนนไม่ดีก็จะไม่ได้เข้ามาหาวิทยาลัยที่ดีที่มีคุณภาพการแข่งขันจึงมีจึงทำให้ต้องมีการขวนขวายมีความยินดีเด็กพวกนี้ยินดีที่จะ ไปเรียนพิเศษหลังจากกลับมาจากโรงเรียนแทนที่จะไปไปเที่ยวไปเล่นไปพักผ่อนหย่อนใจก็ยอมเสียสละความสุขแบบนั้นเพื่อความสุขที่ดีกว่าที่จะตามมาหลังจากที่เขาได้จบมหาวิทยาลัยที่ดีในคณะที่ดีเขาก็ยินดีที่จะเสียสละการ การเล่นการพักผ่อนหย่อนใจด้วยการดูมหัศลศพบันเทิงต่างๆแล้วก็ไปเรียนพิเศษไปทำการบ้านไปดูหนังสือเพื่อที่จะได้สอบแล้วได้คะแนนดีอน mm hmm. นี่คือสิ่งที่คนเรียนเก่งนี่เขาเรียนเก่งกันก็เพราะว่าเขามีฉันทะมีความยินดี ในการที่จะร่ำเรียนหนังสือนั่นเองเพราะเขารู้ว่าผลที่จะได้จากการจบการศึกษานี้จะทำให้เขาได้มีงานทำที่ดีมีรายได้ที่ดีได้ลาบยศสรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอันนี้คือข้อที่หนึ่ง ถ้าเราถามว่าทําไมเราชีวิตเราจึงไม่ค่อยประสบกับความสําเร็จเราก็ต้องดูว่าเรามีความยินดีกับงานที่เราทําหรือเปล่าถ้าเราไม่มีความยินดีทําไปแบบอเช้าชามเย็นชามทําไปตามแบบเหมือนถูกบังคับให้ทําำถ้าไม่ถูกบังคับก็จะไม่ทำํำถ้าอย่างนี้ ผลงานก็จะออกมาไม่ดีเมื่อออกมาไม่ดีผลตอบแทนก็จะไม่ดีความสำเร็จที่เรียกว่าเป็นความสำเร็จในชีวิตก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาแต่ถ้าเรามีความยินดีที่จะทำงานทำสิ่งที่เราต้องทำ ถ้ามีความยินดีแล้วเราก็จะมีอิทธิบาทข้อที่สองตามมาโดยอัตโนมัติคือความขยันหมั่นเพียรความภาคเพียรพยายามข้อนี้สาคัญเพราะว่าความสำเร็จนี้อยู่ที่ความพยายามนั่นเองความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้าเรามีความยินดีแต่ถ้าเราเราไม่มีความ ภาคเพียนพยายามไม่มีความขยันหมั่นเพียรมีความเกียดคร้านความยินดีก็ไม่เป็นประโยชน์แต่อย่างใดไม่ทำให้เกิดผลขึ้นมาได้ความยินดีคือฉันทะนี้เป็นเป็นก้าวแรกที่จะพาให้เราไปสู่ก้าวที่สองที่สำคัญก็คือวิริยะความภาคเพียนพยายาม และขั้นที่สามคือความทุ่มเทถ้าเรามีความยินดีเราก็ยินดีที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจเวลาทั้งหลายให้กับการทำสิ่งที่เราต้องต้องการจะทำเพื่อให้เกิดผลสำเร็จขึ้นมาเราก็จะมีจิตตะมีมีวิริยะ ถ้ามีฉันทะแล้ววิริยะจิตตะและวิมังสาก็จะตามมาวิมังสาก็คือความคิดค่ายควรเกี่ยวกับการเรียนการการดำเนินการของเรานั่นเองว่าเราทำถูกหรือไม่เราทำผิดตรงไหนเราควรที่จะเพิ่มการกระทำอย่างไรเพื่อให้เกิดผลที่ดีมากขึ้นไปเราควรจะกาจัดการกระทำ บางสิ่งบางอย่างหรือไม่มันเป็นอุปสรรคต่อการทำให้เกิดผลสำเร็จหรือไม่นี่เรียกว่าวิมังสาความคิดค่ายควรอยู่กับเรื่องเรียนเรื่องงานที่เราทำอยู่อย่าไม่ไปคิดว่าวันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนดีจะไปช้อปปิ้งที่ไหนดีจะไปดูภาพยนตร์ที่ไหนดี อะไรความคิดเหล่านี้จะไม่มีในใจของผู้ที่มีฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาวิมังสานี้จะคิดอยู่กับเรื่องงานเรื่องการเพื่อความสำเร็จเพื่อผลที่ต้องการเท่านั้นจิตตก็คือจะทุ่มเทชีวิตจิตใ จ, จเวลาให้กับการปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดผลที่เราต้องการถ้าเรียนหนังสือก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการเรียนหนังสือเพลงอย่างเดียวใครจะมาชวนไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่ไปชอปปิง้งไปดูหนังไปฟังเพลงก็ปฏิเสธไปแต่ใครชวนไปเรียนพิเศษอย่างนี้ก็จะไป ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนหรือเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเพื่อให้เกิดผลที่ต้องการก็ที่ก็จะทุ่มเทให้กับมันไปถ้าเรามีความทุ่มเทมีความขยันหมั่นเพียรมีการกระทำอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนไม่ทะเลทลายไม่ขี้เกียจรับรองได้ว่า สิ่งที่เราต้องการผลที่เราต้องการนี้จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนทางธรรมก็แบบเดียวกันทางธรรมก็มีผลที่เราต้องการกันผลของทางธรรมคืออะไรคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนั่นเองความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี้เราสามารถกาจัดมันได้ ทำให้มันหมดสิ้นไปจากจิตจากใจได้การที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆหมดไปจากจิตจากใจเราก็ต้องบรรลุมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานคือผลที่เราต้องการจากการปฏิบัติธรรมดังนั้นการที่เราจะมีฉันทะต่อการปฏิบัติธรรมมีวิริยะมีจิตตวิบังษาต่อการปฏิบัติธรรม เราก็ต้องศึกษาว่ามรรคผลนิพพานคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆนั้นมีคุณประโยชน์อย่างไรต่อจิตใจของพวกเราถ้าเรารู้ว่ามันมีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะทำให้เรามีความยินดีที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนยินดีที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอน เพื่อที่เราจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานกั น, นการที่เรามาวัดมาฟังเทศฟั่งธรรมนี้เป้าหมายที่แท้จริงนี้ของศาสนาของคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เพื่อให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันการหลุดพ้นก็แบ่งเป็นขั้นขั้นไป มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันมรรคผลนิพพานจึงมีอยู่สี่ระดับมรรคผลคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองคู่ที่สามและคู่ที่สี่พอได้บรรลุขั้นคู่ที่สี่ก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงเมื่อได้หลุดพ้นอย่างสิ้นเชิงก็จะได้ถึงพันนิพพานะได้ถึง ที่ที่ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปในจิตในใจของพวกเราตอนนี้พวกเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะรวยจะจนจะใหญ่โตหรือจะเล็กน้อยก็ยังมีความทุกข์กันอยู่ด้วยกันทุกคนและจะไม่และความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี้จะไม่มีวันหมดสิ้นไปได้ถ้าเราไม่มาศึกษาไม่มาปฏิบัต ตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราคิดว่าเราจะสามารถดับความทุกข์ได้ด้วยการมีมเงินมีทองมียศมีตำแหน่งมีรางวัลมีสิ่งต่างๆมาบำลงบำเลอให้ความสุขกับเราก็แสดงว่าเรากำลังหลงทางเรากำลังคิดผิดเพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ ที่จะสามารถมากำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้อย่างถาวรอาจจะกำจัดได้เป็นครั้งเป็นคราวไปเวลาทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไปเที่ยวกันสักพักหนึ่งพอไปเที่ยวความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็หายไปชั่วคราวพอกลับมาอยู่กับบ้านอยู่กับที่ทำงาน ก็มาเจอทุกแบบเดิมอีกเนทุกมันไม่มีวันหายจากการใช้ราบยศสรรเสริญจากการใช้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมากําจัดมันทุกจะหายไปได้อย่างหมดสิ้นจากใจต้องหายด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการบรรลุมรคนิพานมรคนี่คืออะไรคำว่ามร ก, ก็คือทางทางเดิน ผลก็คือคือจุดหมายปลายทางของทางเดินนั่นเองคือผลเช่นการขึ้นชั้นต่างๆของตัวอาคารเขามักจะสร้างบันไดขึ้นสู่ชั้นต่างๆของอาคารถ้าเปรียบเทียบบันไดที่จะพาเราขึ้นสู่ชั้นที่หนึ่งที่สองที่สนี้เรียกว่ามากักเราต้องเดินขึ้นบันได ผลก็คือชั้นต่างๆที่เราต้องการที่จะขึ้นไปนั่นเองเช่นเราอยู่ชั้นล่างแล้วอยากจะขึ้นไปชั้นบนเรียกว่าชั้นที่หนึ่งเราก็ต้องเดินบันไดจากชั้นล่างขึ้นไปจนเราถึงชั้นชั้นชั้นบนชั้นที่หนึ่งแล้วถ้าอยากจะขึ้นสู่ชั้นที่สองเราก็ต้องเดินบันไดจากชั้นที่หนึ่งขึ้นไปสู่ชั้นที่สอง ตามลำดับนี่คือมรคบันไดคือมรคถ้าเราไม่เดินขึ้นบันไดเพียงแต่อยากจะขึ้นไปชั้นบนชั้นที่หนึ่งนี่อยากอย่างไรคิดอย่างไรมันก็ไม่สามารถพาให้เราขึ้นไปสู่ชั้นที่หนึ่งได้ถ้าเราอยากจะขึ้นไปสู่ชั้นที่หนึ่งเราต้องเดินขึ้นบันไดถ้าเราบอกว่าขี้เกียจไม่มีแรงไม่มีแรงก็อย่าไปอยากสิ เพราะว่าอยากมันก็ไม่ได้ผลถ้าไม่มีแรงที่จะเดินขึ้นบันไดถ้าไม่มีไฟไม่มีกาลังใจไม่มีฉันทะไม่มีความยินดีที่จะเดินขึ้นบันไดไม่มีความเพียรไม่มีความทุ่มเทไม่มีความคิดคข้ควรเกี่ยวกับวิธีเดินขึ้นบันไดเราก็จะไม่สามารถขึ้นไปสู่ชั้นที่เราต้องการได้ มัรผลนี้ก็มีอยู่สี่ชั้นแต่ละชั้นนี้ก็จะทำให้ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเรานี้ลดน้อยถอยลงไปตามลำดับทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจพอเราได้ขึ้นสู่ชั้นที่หนึ่งความทุกข์ก็จะหายไปหนึ่งในสี่พอขึ้นไปสู่ชั้นที่สองความทุกข์ก็จะหายไปอีกสองในสี่ ถ้าขึ้นไปชั้นที่สามความทุกข์ก็จะหายไปสามในสี่พอขึ้นไปถึงชั้นที่สี่ความทุกข์ก็จะหายไปหมดเลยความทุกข์ที่เคยมีอยู่ในใจของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามเรื่องเกี่ยวกับร่างกายของเราเรื่องเกี่ยวกับร่างกายของคนอื่นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆของเราเองที่มีอยู่ในใจเรา ไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายบางวันเราไม่มีเรื่องกับคนนั้นคนนี้ไม่มีเรื่องกับร่างกายของเราเราก็ยังมีความทุกข์เกี่ยวกับอารมณ์ของเราบางดีบางวันก็ไม่เบิกบานไม่สดใสไม่ผ่องใสมีความรู้สึกอึดอัดนำคาญหงุดหงิดอะไรต่างๆอันนี้ก็ เป็นความทุกข์ต่างๆระดับต่างๆที่เราจะได้กำจัดกันจากการที่เร า, เาได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนแล้วได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนไปแต่แต่ละขั้นการที่เราจะมีความยินดีที่เราจะปฏิบัติที่เราจะศึกษาพราะธรรมคำสอนเราก็ต้องรู้ ว่าผลที่เราได้รับจากการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอย่างไรความทุกข์หายไปความทุกข์น้อยลงไปอย่างไรเหมือนกับเวลาที่เราไม่สบายแล้วเราไปหาหมอหมอเขาก็จะบอกวิธีรักษาว่าถ้าฉีดยาความทุกขก์ก็จะหายไปบางส่วน ถ้ากินยาก็จะหายไปอีกบางส่วนถ้าเอาไปผ่าตัดก็จะทำให้หายไปอย่างสิ้นเชิงพอเรารู้ผลของการกระทาของหมอว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะมีความยินดีที่จะให้หมอกระทารักษาร่างกายของเราไปแต่ถ้าเราไม่รู้ว่า ทำไปแล้วจะเกิดผลอย่างไรเราก็อาจจะไม่อยากจะให้หมอทำก็ได้ไม่อยากจะให้หมอผ่าหมอตัดเอาสิ่งต่างเอาเอาส่วนต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเราออกไปก็ได้แต่ถ้าเรารู้ว่าพอหมอได้ทำแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายมันจะหายไปหมดมันก็จะทำให้เรายิน ด, ดีที่จะให้หมอรักษา ให้หมอฉีดยาให้หมอให้ยาให้หมอผ่าตัดเพราะเรารู้ว่าเมื่อไทยทำสำเร็จแล้วความเจ็บต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเราจะได้หายไปเราต้องมีความรู้ว่าสิ่งที่เราต้องทำนั้นจะให้ประโยชน์กับเราอย่างไรการศึกษาการปฏิบัติธรรมนี้ จะให้ประโยชน์กับเราให้กับประโยชน์กับเราอะไรบ้างประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการศึกษาการปฏิบัติธรรมคำสั่งคำสอนก็คือจะได้ลดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราให้น้อยลงไปตามลำดับจนหมดสิ้นไปในที่สุดอันนี้ ถ้าเรารูล้ลวว่าเราเบื่อกับความทุกข์ที่เราต้องเจออยู่เรื่อยๆเราก็อาจจะมีความยินดีที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติพอมีความยินดีมันก็จะมีความขยันหมั่นเพียรเพียรพยายามบังคับตัวเองให้ศึกษาให้ปฏิบัติเพราะการกระทำบางอย่างนี้ถ้าไม่บังคับนี้มันจะไม่ยอมทำ เพราะว่ามันเป็นของที่ไม่สะดวกไม่สนุกสนานเหมือนกับการไปเที่ยวกับการไปหาความสุขทางตาหูทางจมูกลิ้นกายที่ไม่ได้มาช่วยกำจัดความทุกข์ต่างๆนอกจากไม่ได้ช่วยกำจัดความทุกข์แล้วยังมาช่วยสร้างความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปแต่เราอาจจะไม่รู้หรือรู้ก็ได้ ถึงแ ม, ม้่ถึงแม้รู้เราก็ยังอาจจะเลิกมันไม่ได้เพราะมันเป็นการกระทาที่เราทำมาจนฝังอยู่ในนิสัยในสันดานของเราเวลาที่ไม่ได้ทำแล้วเรารู้สึกว่าไม่มีความสุขเลยเช็นเราเคยไปเที่ยวไปหาความสุขจากการดูการฟังอะไรต่างๆพอเรา ต้องมาบังคับตัวเราไม่ให้ไปเที่ยวไปดูไปฟังอะไรต่างๆเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจไม่สบายใจขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นวิธีหาความสุขของเราเพียงแต่ว่าหลังจากที่เราได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราก็อาจจะได้เรียนรู้ว่าการหาความสุขแบบนั้นมันเป็นการหาความสุขมาเพิ่มในภายหลังนั่นเอง ถ้าเราต้องการกำจัดความทุกข์ไม่ต้องการเพิ่มความทุกข์เราก็ต้องระ ง, งับการหาความสุขแบบนี้ไประ ง, งับการหาความสุขจากการไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดื่มแล้วมาหาความสุขจากการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแทนแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อข้าวของที่ฟุ่มเฟือยที่ไม่จําเป็น ก็ให้เอาไปทำบุญทำทานแทนให้เปลี่ยนวิธีการหาความสุขความสุขที่พระเจ้าทรงสอนให้หานี้จะเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาไม่ได้เพิ่มความทุกข์ให้มีมากขึ้นไปภายในใจจะช่วยลดความทุกข์ให้น้อยลงจากการที่เราเอาเงินทองไปทำบุญทำทาน เพราะเงินทองที่เราเอาไปใช้ไปเที่ยวไปกินไปดืม่มไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆนี้มันจะเพิ่มความทุกข์ให้กับใจของเราต่อไปเวลาที่เงินเราหมดไม่มีเงินที่จะไปเที่ยวไปซื้อไปทำอะไรตามความอยากความทุกข์ก็จะไหลมาทันทีแต่ถ้าเราเอาเงินที่จะไปเที่ยวไป ไปกินไปดืม่มไปฟังไปซื้อของฟุ่มเฟือยนี้เอาไปทำบุญเราจะได้ความสุขจากการทำบุญแล้วเราจะลดการไปเที่ยวไปไปทำอะไรตามความอยากให้น้อยลงไปพอเราลดการกระทำตามความอยากให้น้อยลงไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเหล่านี้ก็จะน้อยลงไปอันนี้คือวิธีการของการ กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจเราต้องเห็นประโยชน์ของการทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราถึงจะยอมอทนทุกข์กับความทุกข์ที่เกิดจากการที่เราไม่ได้ทำอะไรตามที่เราเคยทำมาก่อน เ, อเหมือนกับเป็นคนไข้เนี่ยถ้ารู้ว่าหมอต้องผ่าตัด การผ่าตัดแล้วจะทำให้โครคภัยไข้เจ็บนี้หายไปเราก็ยินดีที่จะยอมเจ็บตัวเพราะการผ่าตัดนี้มันต้องทำให้มีการเจ็บตัวแต่การเจ็บตัวนี้เป็นการเจ็บตัวเพื่อให้ความเจ็บที่มีอยู่นี้หายไปหมดอย่างนี้เราก็ยินดีที่จะเจ็บตัว ฉันใดการศึกษาพระธรรมคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องเจอกับความทุกข์ที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมแต่การความทุกข์ที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนี้ก็เป็นเหมือนกับความเจ็บตัวจากการรักษาร่างกายจะรักษาร่างกายให้หายก็ต้องเจ็บตัวจะต้องถูกผ่าตัด ฉันใดการที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปเราก็จะต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆเป็นธรรมดาแต่เป็นความทุกข์ที่จะทําให้กําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ถ้าเรารู้เรื่องของผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติว่าเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าจะต้องเจอกับความทุกข์ในเบื้องต้นก่อนก็ตาม เราก็จะไม่ย่อท้อเราก็ยินดีทุกเราก็จะสู้เราก็จะพ ย, พยายามที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนถึงแม้ว่ามันจะทำให้เราทุกข์ใจในขณะที่เรากำลังปฏิบัติอยู่แต่ถ้าเราปฏิบัติสำเร็จแล้วความทุกข์ใจนั้นมันก็จะหายไปรวมทั้งความทุกข์ใจที่เคยมีอยู่ในใจต่าง มันก็จะหายไปหมดถ้าเรารู้ผลจากการปฏิบัติเป็นอย่างนี้เราก็จะมีอธิบาสี่เองเราจะมีชันทะมีความยินดีที่จะปฏิบัติเราจะมีวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรเราจะทุ่มเทมีจิตตะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติ และเราจะมีวิมังสาจะคิดอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติจะคิดจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะทำให้การปฏิบัติของเราจเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลาดับจนถึงขั้นสูงสุดจนถึงขั้นที่ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจนั่นแหละเราก็จะได้พบกับความสำเร็จในที่สุดเราก็จะได้บรรลุถึงพระนิพพาน การสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ในขณะนี้ความทุกข์ที่เราเผชิญกันนี้ก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายที่ไม่ใช่เป็นเพียงแต่พบในชาตินี้เท่านั้นเป็นความเกิดแก่เจ็บตายที่มีอย่างต่อเนื่องมีอย่างไม่มีวันสิ้นสุด เราเกิดแก่เจ็บตายมานี่นับไม่ถ้วนแล้วและการเกิดแก่เจ็บตายของพวกเรนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาเรียนรู้วิธีที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดวิธีที่จะหยุดติการเวียนว่ายตายเกิดก็คือเราต้องกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไป เพราะความทุกข์ต่างๆนี่แหละเป็นตัวที่ผลักดันให้เราไปเกิดกันอยู่เรื่อยๆเพราะเราคิดว่าถ้าเราตอนนี้มีทุกข์เราก็ต้องหนีทุกข์หนีทุกข์ไปหนีทุกข์จากร่างกายอันนี้เพื่อไปหาร่างกายอันใหม่ที่เราคิดว่าจะไม่มีความทุกข์ พอเราเจอความแก่ของร่างกายเจอความเจ็บของร่างกายเจอความตายของร่างกายเราก็ทุกข์เราก็ไม่อยากจะมีร่างกายแบบนี้เราก็จะหนีพอร่างกายนี้ตายไปเราก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ <_ S 1> <ๆ>เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่มาหาความสุขให้กับเราแต่มันก็จะหาความสุขได้ในช่วงที่มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้น แต่ในที่สุดมันก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายพอตายมันก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปเราจึงมีการเวียนว่ายตายเกิดกันมาอย่างโชคชนมาเป็นเวลาอันยาวนานและเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระธรรมคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า หรือไม่ได้พบกับพระอริยสงสาวกหรือไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้วิธีกําจัดความทุกข์ต่างๆที่เราทุกข์กันอยู่นี้ให้มันหมดสิ้นไปได้อย่างไรแต่พอเราได้มาพบพระพุทธศาสนาเราก็จะได้ยินได้ฟังธรรมกันบางทีก็ จ, จะได้ฟังจากพระพุทธเจ้าโดยตรง ถ้าเรามาเกิดในช่วงที่พระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่เช่นถ้าเรามเกิดในสมัยพุทธกาลเราก็อาจจะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่ถ้าเรามาเกิดในสมัยนี้เราก็ต้องอาศัยฟังธรรมจากพระอาริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าหรือไม่เช่นั้นก็ต้อง ศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกก็ยังมีประโยชน์ยังทำให้เราเรียนรู้ได้ว่า à, การกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี้จะกำจัดกันอย่างไร à. อย่างวิธีแากที่เมื่อกี้ได้สแสดงไว้ก็คือกำจัดความทุกข์จากการใช้เงินใช้ทองของเราเพราะเรามีเงินมีทองแต่เรา กับใช้เงินไม่เป็นไม่ถูกใช้แทนที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์สุขใช้กำจัดความทุกข์เรากับใช้เพื่อสร้างความทุกข์ให้มากขึ้นโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะว่าเราคิดว่าเราได้ความสุขจากการใช้เงินของเราเพราะว่าเรามองเพียง ประโยชนที่เราได้รับในขณะที่เราใช้เงินเท่านั้นแต่เราไม่มองยาวต่อไปว่าเวลาที่ไม่มีเงินทองจะซื้อแล้วนี่ความสุขที่เราได้จากการใช้เงินใช้ทองนี้มันจะหายไปแล้วสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ทุกข์เพราะความอยากใช้เงินต่อไปนั่นเองไม่ใช่ทุกข์เพราะว่าเงินหมดะ ถ้าเงินหมดแล้วเราก็หยุดความอยากใช้เงินได้ก็ไม่ทุกข์เนี่ยแต่มันหยุดไม่ได้ความอยากนี่พอมันเคยใช้เงินแล้วมันก็อยากจะใช้เงินไปเรื่อยๆใช้เงินซื้อความสุขต่างๆแต่พอเงินหมดปั๊บนี่ก็ไม่สามารถซื้อความสุขได้แต่ความอยากซื้อมันยังไม่หยุดตามเงินที่หมดเนี่ยอันนี้แหละมันเป็นตัวปัญหาถ้าเราหยุดความอยาก ใช้เงินซื้อความสุขได้เวลาเงินหมดก็จะไม่มีความทุกข์ตามมาแต่เราหยุดกันไม่ได้เพราะเราไม่มีกําลังที่จะหยุดมันเพราะเราคอยแต่สนับสนุนคอยผลักดันความอยากอยู่เรื่อยๆแล้วอยู่ดีๆจะให้เรามาหยุดการผลักดันความอยากนี่เราทําไม่ได้อเรา ถึงแม้เราจะทุกข์อย่างไรเราก็ยังผลักดันมันยังอยากใช้เงินอยู่อย่างนั้นทั้งๆ ท, ที่ไม่มีเงินจะใช้แล้วแต่มันเคยผลักดันความอยากให้ใช้เงินอยู่เรื่อยๆเพราะมันเห็นว่าเวลาได้ใช้เงินแล้วมันมีความสุขนั่นเอง นี่แหละคือความทุกข์ที่จะตามมาจากการใช้เงินทองที่ไม่ถูกวิธีพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนพวกเราที่ยังต้องใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆให้เปลี่ยนสินค้าที่เราซื้อแทนที่จะซื้อความสุขจากสิ่งต่างๆด้วยความอยากก็ให้มาซื้อสินค้าที่จะทำให้เรามีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีความอยาก ก็คือการเอามาทําบุญทําทานการทําบุญทําทานนี่เราไม่ได้มักถับด้วยความอยากส่วนใหญ่เรามักจะถูกบังคับด้วยเหตุการณ์หรือด้วยสถานการณ์บางอย่างเช่นถ้าไม่มีคนตายนี่เราจะไม่ค่อยทําบุญกันะถ้าไม่มีเหตุการณ์วันสําคัญเช่นวันเกิดวันปีใหม่วันอะไรเราก็จะไม่ทําบุญกัน แต่นี่มันถ้าเราปล่อยให้มีเหตุการณ์มาดึงให้เรามาทําบุญมันก็จะทําได้น้อยมากแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะหยุดการใช้เงินตามความอยากได้วิธีที่จะทําให้เราหยุดใช้เงินตามความอยากได้เราต้องเอาทุกครั้งที่เราต้องการที่จะเอาเงินไปซื้อความซื้อของต่างๆ ต, ตามความอยากของเราเอาไปเที่ยวไปซื้อความสุขต่างๆ เราเอาเงินที่จะไปซื้อความสุขเหล่านี้ไปทําบุญเมื่อเราเอาเงินไปทําบุญการที่จะทําตามความอยากมันก็ไม่ได้ทําไปเมื่อไม่ได้ทําตามความอยากความอยากมันก็จะลดกําลังลงไปถ้าเราทําอย่างนี้บ่อยครั้งเข้าไปต่อไปความอยากที่จะใช้เงินไปซื้อความสุขต่างๆมันก็จะหายไปได้ เวลาที่เราอยู่เฉยๆเราก็จะไม่เกิดความรู้สึกกดอัดลำคาญใจเวลาที่เราอยู่เฉยๆแล้วเกิดความรู้สึกอดอัดลำคาญใจนี้ส่วนหนึ่งก็เกิดจากความอยากที่จะใช้เงินไปซื้อ ความสุขต่างๆนั่นเองพออยู่บ้านแล้วเบื่อลำคาญก็ไปเที่ยวดีกว่าหยุดสามวันนี้ไปเที่ยวที่ไหนดีคิดกันวางแผนกันไว้ก่อนแล้วอันนี้ก็เป็นการเอาเงินไปซื้อความสุขด้วยความอยากก็ให้เปลี่ยนอย่างเช่นหยุดสามวันนี้ไปอยู่วัดดีกว่าไปทําบุญที่วัดดีกว่าหยุดใช้หยุดทาตามความอยากแล้วมาทาบุญ บุญทําบุญนี้ก็ได้ความสุขที่ดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเวลาไม่มีเงินทําบุญก็จะไม่ทุกข์เพราะว่าเราไม่ได้ทําบุญด้วยความอยากทํากันอยู่แล้วเราทําบุญเพราะเรารู้ว่ามันมีประโยชน์กับเราเราทําด้วยเห็นด้วยผลเราทําเหมือนกับการกินยากินยานี้เราไม่อยากกินเรากินยาเพราะเรารู้ว่ามันจําเป็นต้องกิน เวลาที่ไม่มีอยากินเราก็จะไม่เดือดร้อนอเพราะเราไม่อยากกินอยู่แล้ว อ, อันนี้ก็เหมือนกันการทําบุญทำทานนี้จะช่วยลดความอยากที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้น้อยลงไปในระดับหนึ่ง อ, อันนี้เป็นระดับแรกของการ ขบวนการในการที่จะกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปเราต้องมีความยินดีที่จะทำบุญเราต้องรู้ว่าการทำบุญนี้มีคุณประโยชน์อย่างไรมันจะช่วยลดความทุกข์ที่เกิดจากการใช้เงินตามความอยากต่างๆให้น้อยลงไป ต่อไปถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องการเงินการทองเราจะไม่ทุกข์เราจะอยู่เฉยๆได้เราจะไม่รู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจที่เราไม่ได้ออกไปเที่ยวข้างนอกไม่ได้ไปดูไปฟังไปกินไปดื่มอะไรเพราะว่าความอยากที่เราเคยหาความสุขแบบนี้ได้ถูกกำจัดด้วยการเอาเงินที่เราจะใช้ กับสิ่งเหล่านี้มาทําบุญทําทานแทนแล้วเราจะได้ความสุขจากการทําบุญทําทานเวลาเราทําบุญทําทานเราจะมีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจสบายใจนะความอยากที่จะหาความสุขแบบตามความอยากก็จะหายไปนะอันนี้เป็นเรื่องของการกําจัดความทุกข์คือการกําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้มัน ลดน้อยถอยลงไปตามลำดับเนะ่ขั้นแรกขั้นที่ง่ายที่สุดก็เรื่องของการาทำบุญทำทานขนะั้นที่สองก็คือการไม่ทำบาปนะการกระทำบาปก็จะทำให้เกิดโทษขึ้นมาเวลาเราทำบาปแล้วนี่จะทำให้เราต้องไปรับผลบาปทั้งในขณะที่เราทำและหลังจากที่เราตายไปแล้ว เพาผลบาปนี้มันเกิดที่ใจมันไม่ได้เกิดที่ร่างกายบางคนคิดว่าทําบาปแล้วไม่เป็นไรไม่ไม่ถูกจับไปลงโทษก็ถือว่าไม่เป็นไรเช่นคนที่ทําอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้เขาก็ทําแล้วเขาก็ไม่ถูกจับไปลงโทษเพราะกฎหมายไม่ถือว่าผิดเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าไม่เป็นไร แต่เขาไม่รู้ว่าทุกครั้งที่เขาฆ่านี้ทำให้ใจเขามีความรู้สึกไม่สบายความไม่สบายใจจากการที่เราไปทำลายชีวิตของผู้อื่นเพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่าชีวิตของใครก็เป็นชีวิตที่ทุกคนรักที่คนหวงไม่ต้องการที่จะเสียเวลาที่ไปทำลายชีวิตของผู้อื่นนี้มันก็เหมือนกับผู้อื่นมาทำลายชีวิตของเรานั่นแหละ เวลาถ้าเราคิดอย่างนั้นแล้วเราจะมีความรู้สึกไม่สบายใจว่าเราไปทาลายเราไปสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นแล้วผู้อื่นก็อาจจะกลับมาทาลายชีวิตของเราก็ได้แต่ถ้าเราไม่ทำบาปแล้วเราจะไม่มีความรู้สึกทุกข์ใจถ้าเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้รักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีไม่ได้พูดปดนี้ ความรู้สึกทุกข์ใจที่เกิดจากการกา ร, กรทำบาปจะไม่เกิดขึ้นนอกจากความทุกข์ที่ไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วผลที่เกิดจากการทำบาปที่จะส่งต่อไปตอนที่หลังจากที่ร่างกายของเราตายไปก็จะไม่ปรากฏถ้าเราทำบาปแล้วเวลาร่างกายตายไปบาปนี้จะเป็นตัวที่จะดึงให้พวกเราไปเกิดในอบายกัน อบายก็คือเช่นไปเกิดเป็นสัตว์ในราจฉานแทนที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์ในราจฉานถ้าไม่ได้ร่างกายของสัตว์ในราจฉานก็จะเป็นดวงวิญญาณที่ที่มีแต่ความทุกข์ที่เราเรียกว่าเปรตที่เราเรียกว่ า, าสุลกายหรือที่เราเรียกว่านารกเนี่ยนี่คือดวงวิญญาณชนิดต่างๆที่ เกิดขึ้นมาเพราะว่าในขณะที่มีชีวิตอยู่ไปทําบาปต่างๆชนิดต่างๆนั่นเองถ้าเราไม่ทําบาปชนิดต่างๆนะเวลาตายไปดวงวิญญาณของเราก็จะไม่ไปเป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่ไปนรกไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เลร้ยงานันะ่เราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยนะอันนี้ก็เป็น ส่วนหนึ่งของการกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปด้วยการรักษาศีลห้ากันอย่าทำบาปบาปมีสี่ข้อข้อที่ห้านี้เรียกว่าอบายามุข ค, ค, คือการดื่มสรุราทำไมถึงมารวมอยู่ในศีลห้าเพราะว่าการดื่มสุราจะทำให้หมึนเมาจะทำให้ไม่มีสติยับยัง้งการ พูดการกระทำนั่นเองจะทำให้การกระทำบาปนี้ง่ายขึ้นพูดง่ายขึ้นพูดปดง่ายขึ้นทำบาปง่ายขึ้นเวลาจิตใจมีอาการมึนเมาแต่เวลาที่ไม่มึนเมานี้จะมีสติยับยัง้งพอรู้ว่าจะพูดจะทำอะไรที่ไม่ดีก็มีเบรก ค, คอยหยุดแต่เวลาที่เมาแล้วนี่เหมือนกับรถที่ไม่มีเบรก เวลาถึงสี่แยกไฟแดงก็ไม่หยุดเจอไฟแดงก็ไม่หยุดเพราะว่าไม่มีเบรกที่จะหยุดรถนั่นเองก็จะต้องไปเจออุบัติเหตุใจก็เหมือนกันเวลาคิดไม่ดีพูดไม่คิดไม่ดีก็จะทำไม่ดีพูดไม่ดีเพราะไม่มีอะไรมาคอยยับยั้งจิตใจทำบาปพอทาบาปแล้วใจก็จะเกิดความทุกข์ไม่สบายใจขึ้นมา จึงต้องเอาสุรายามเาเข้ามารวมในศีลห้าด้วยผู้ที่ต้องการกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปก็ควรพยายามรักษาศีลห้าให้สม่ำเสมอถือศีลห้ารักษาศีลห้าให้ได้ตลอดเวลาแล้วความรู้สึกทุกข์ไม่สบายใจต่างๆก็จะลดลงไปอีกระดับหนึ่งแล้วเราก็จะได้มาลดความทุกข์ ระดับต่อไปได้ระดับต่อไปก็คือลดความทุกข์ที่เกิดการคิดความอยากที่มีอยู่ในใจของเรานี่ถึงแม้เราไม่ได้ไปไปทําบาปไม่ได้ไปเที่ยวแต่เรายังเกิดความทุกข์ได้จากการที่เราคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดไปในทางที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา เราก็ต้องมาหัดสอนใจมาฝึกใจให้หยุดความคิดที่จะพาให้เราไปคิดที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาการที่เราจะให้ใจนี้หยุดความคิดได้หยุดความอยากได้คิดไปในทางที่ทำให้เกิดความทุกข์ได้นี้เราต้องมีสติสตินี้เป็นเหมือนเบรกของใจเหมือนกับเบรกของรถยนต์รถยนต์จะหยุดได้ต้องมีเบรก ใจจะหยุดความคิดได้ก็ต้องมีสติถ้ามีสติแล้วหยุดความคิดไม่ได้ก็สแสดงว่าสติมีกำลังน้อยพวกเราทุกคนตอนนี้มีสติกันเราหยุดความคิดบางอย่างได้เช่นเราพอคิดจะทำบาปแล้ว่าไม่เอาไม่ทำดีกว่าเราหยุดได้แต่ให้เราอยู่เฉยๆเราไม่ไห่คิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั่นเรื่อง น, นี้ยังหยุดไม่ได้ เราหยุดได้ในบางเรื่องบางอย่างแต่จะให้หยุดคิดทุกเรื่องนี้เรายังหยุดไม่ได้ถ้าเรายังหยุดไม่ได้มันก็ยังจะคิดเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจได้คิดถึงเรื่องหนี้สินก็ไม่สบายใจขึ้นมาคิดถึงโครคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้น มันก็ทำให้เราไม่สบายใจขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามีเบรกเราหยุดความคิดเหล่านี้ได้ถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมันก็จะไม่เข้ามาในใจเราเช่นเรามีหนี้มีศินแต่ถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันมันก็ไม่มาทำให้เราทุกข์ใจได้เช่นเรารู้ว่าเราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันมันก็จะไม่ทำมาให้เราทุกข์ใจได้เพราะฉะั้นเราต้องมาหยุดความคิด เหล่านี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราหยุดความคืนเหล่านี้ได้ถึงแม้เราจะมีหนี้มีสินมีโครคภัยแค่เจ็บมันก็จะเจ็บอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นเองมันจะไม่มาเจ็บถึงใจใจนี้ไม่มีความจำเป็นจะต้องทุกกับเรื่องอะไรเลยแต่ใจเราไปทุกขกับมันเองทุกข์ด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาทุกเพราะความอยากทุกเพราะความคิดผิด คิดว่าการไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่ดีการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ไม่ดีพอ ร, รู้ว่าจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยก็เลยทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าใจฉลาดใจก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของใจใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันร่างกายเจ็บแต่ใจไม่ได้เจ็บตามร่างกาย ร่างกายเป็นนี่ใจไม่ได้เป็นนี่ไปกับร่างกายถ้าเขาจะมาจับร่างกายไปติดคุกติดลัตตารางใจก็ไม่ได้ติดคุกติดตารางไปกับร่างกายแต่ใจคิดไม่เป็นใจไปผูกใจไว้กับร่างกายใจก็เลยวุ่นวายวิธีที่จะแยกใจออกจากร่างกายก็ต้องให้หยุดคิดอันนี้เป็นการแยกชั่วข่าวพอใจหยุดคิดปั๊บเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายก็จะ ไปไม่ถึงใจเพราะใจได้แยกออกจากร่างกายไว้ชั่วคราวอันนี้เรียกว่าการฝึกสติถ้ามีสติหยุดความคิดได้จิตก็จะเป็นสมาธิจิตก็จะสงบนิ่งพอจิตสงบนิ่งแล้วจิตก็จะเย็นสบายมีความสุขทั้งๆที่ร่างกายอาจจะมีความทุกข์ต่างๆแต่ความทุกข์ต่างๆของร่างกายจะหยุดอยู่ที่ร่างกายแต่ไม่เข้ามาที่ใจ เพราะใจมีสติแยกใจออกจากร่างกายได้นี่คือเรื่องของประโยชน์ที่เรามาฝึกสติมานั่งสมาธิกันเพื่อที่เราจะได้หยุดใจของเราไม่ให้ไปเอาเรื่องเราของร่างกายมาเข้ามาในใจของเรานอกจากเรื่องของร่างกายของเราแล้วยังไปยุ่งกับร่างกายของคนอื่นอีก ร่างกายของพี่ของน้องของพ่อของแม่ของสามีของภรรยาของบุตรธิดาของเพื่อนเอาเข้ามาหมดเลยชอบเหลือเกินชอบไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นแล้วก็มากินไม่ได้นอนไม่หลับไปกับเขาถ้าเรามีสติหยุดความคิดต่างๆได้เรื่องราวต่างๆนี้จะไม่เข้ามาในใจเวลานอนนี่พอศีรษะถึงหมอนก็คลอกเลยหลับเลย แต่ถ้าไม่หยุดคิดนี่โอ้ยบางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับกินก็ไม่รอร่อยอร่อยคอยวิตกกังวลกับคนนั้นคนนี้เขาเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะหายไม่หายเครียดไปหมดทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้เป็นอะไรเลยนี่แหละคือปัญหาของใจไป ชอบไปหาความทุกข์มาใส่ใจเองความทุกข์มันอยู่ข้างนอกอยู่ที่ร่างกายของเราอยู่ที่ร่างกายของคนนั้นคนนี้แต่เราไปดึงมันเข้ามาในใจของเราทำให้เราใจเราทุกข์กันเราเลยต้องแยกใจออกจากร่างกายชั่วคราวยแยกด้วยสติพอมีสติหยุดความคิดได้ใจก็เย็นสบายความเครียดความทุกข์ต่างๆก็หายไป แต่มันก็ทำได้ชั่วครั้งชั่วคราวเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาความคิดไปทํางานทำการไปมียังมีหน้าที่ต้องทำอยู่ต้องทำงานต้องหาเงินหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่พอเรามาทำหน้าที่เดี๋ยวพอใช้ความคิด ความคิดมันก็เนาะมันก็หนีไปคิดเรื่องที่จะทำให้เราเครียดขึ้นมา อ, อีกไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อีกวิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกตอนที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิไม่ได้หยุดคิดเราต้องเลือกแยกแยะความคิดว่าความคิดแบบไหนทำให้เราทุกความคิดแบบไหนทำให้เราไม่ทุกถ้าความคิดแบบไหนทำให้ทุกเราก็ต้องหยุดมัน ถ้าเราหยุดมันได้เราก็จะไม่ทุกข์ถึงแม้เราจะคิดแต่เราไม่ไปคิดในเรื่องที่จะทําทให้เราทุกข์หรือคิดในเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้เพราะเรื่องที่ทําให้เราทุกข์มันก็เกิดจากตัวเราเองที่ไปทําให้เราทุกข์เองพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าการที่เราไปคิดเรื่องที่ทําให้เราทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เพราะความอยากของเรานั่นเองไม่ใช่อะไรอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พอมันไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ทุกขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็สอนว่าเราก็ต้องฉลาดสิเราก็ต้องศึกษาว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นได้หรือเปล่านะถ้ามันเป็นไปไม่ได้คิดไปทําไมอยากไปทําไมทุกข์ไปเปล่าๆให้ดูความจริงถ้าเราคิดถึงเรื่องอะไรก็ตามคิดถึงเรื่องร่างกายเราก็ต้องดูความจริงว่าเราไม่อยากให้มันแก่แต่มันแก่หรือเปล่ามันต้องแก่หรือเปล่า เราไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่าเราไม่อยากให้มันตายแล้วแล้วมันต้องตายหรือเปล่ามันก็ต้องแก่เจ็บตายไปทำเป็นธรรมดาของมันแต่เราไม่มองความจริงกันเราไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายกันมันก็เลยทำให้เราทุกข์กันเท่านั้นเอง ฉนั้นต่อไปถ้าเราจะคิดถึงร่างกายเราต้องคิดว่ามันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายเป็นธรรมดาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เราคิดอยู่เรื่อยว่าเกิดมาแล้วเราต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ให้ท่องจํามาไว้คาถาเนี่ยไม่ให้ลืมไม่ให้ลืมความจรงิงแล้วพอเกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ lavender, ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้เหมือนกับ อยากจะเปลี่ยนกล้วยให้มันเป็นส้มเนี่ยเปลี่ยนได้ไหรือเปล่าดูที่ส้มเนี่ยอยากมันยังไงมันจะกลายเป็นกล้วยได้ไหรือเปล่ามันเปลี่ยนไปมันเป็นไปไม่ได้แล้วเราไปอยากมันทำไมพระพุทธเจ้าสอนให้เราหัดศึกษามองความจริงเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เรื่องก็ไม่มีเรื่องอะไรเรื่องแค่ร่างกายนี้ท่านร่างกายไม่ว่าจะเป็นของเราของใครมันต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นมันจะต้องมีการพัดภาคมีการสูญเสียจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปแต่พอเราไปคิดถึงเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราหรือเรื่องของคนอื่นเราก็ไม่อยากให้มันเกิดนะแต่มันต้องเกิดอะ แต่ถ้าเราสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมีการพัดพ่าคจากกันต่อไปพอมันอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดพ่าคจากกันมันก็จะไม่คิดแล้วเพราะคิดไปอยากไปก็ไม่เกิดประโยชน์เลยมีแต่เกิดโทษทำให้เราทุกข์ไปเปล่าๆนี่แหละคือความทุกข์ที่เราสร้างกันขึ้นมาเองเพราะความโง่ความคิดไม่เป็นของพวกเรา คิดไปตามความอยากอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทั้งๆที่ความจริงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายฉะนั้นเราต้องมาคอยสอนใจอย่าให้ลืมความจริงว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอเวลามันจะอยากมันจะคิดไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะได้บอกมันว่าอย่าไปคิดเลยอย่าไปอยากเลยเสียเวลาเปล่าๆเหมือนกับเรารู้ว่ามันเป็นส้มเราก็อยากให้มันเป็นกล้วยไหม ไม่อยากหรอกเพราะมันเห็นชัดๆเนี่ยแต่ทําไมความแก่ความเจ็บความตายกลับมองไม่เห็นว่ามันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายยังไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ เ, เลยทุกข์กันเนี่ย ทุกวันนี่เราทุกกันนี่ทุกกับเรื่องอะไรถ้าไม่ททุกกับเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายเป็นเหมือนกับเส้นผมบังผูกเขานะความโง่ของเราเนี่ยเป็นเหมือนเส้นผมบังตาเราเนี่ยความจริงมองไม่เห็นเพราะความอยากของเรามาปิดกั้นไว้อยากให้ร่างกายเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพื่อเราจะได้ใช้ร่างกายหาความสุขไปตลอด แต่มันเป็นไปไม่ได้เราจึงต้องมาสอนใจให้มองความจริงกันเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาที่เราต้องออกจากสมาธิมาเราก็มาหัด ส, สอนใจให้มองความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีเกิดมีดับมีมามีไปมีขึ้นมีลงไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงต้องมีการพัดพากจากกัน สอนใจให้เตรียมตัวไว้ให้รับกับเหตุการณ์เพื่อที่จะได้ไม่ไปอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดให้ความสุขกับเราไปตลอดพอเราเปลี่ยนความคิดได้ต่อไปเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายกับการพัดภาคจากกันไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามเรารู้ว่าเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันเดี๋ยวก็ต้องมีการพัดภาคจากกันเราก็อยู่กับมันไป ไม่ยังไม่มีความทุกข์ได้นี่แหละคือการที่เราจะกำจัดความทุกข์ต่างๆตามขั้นตามตอนไปตามการปฏิบัติของเรากำจัดไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยกำจัดตั้งแต่ขั้นทำทานขั้นรักษาศีลแล้วก็ขั้นภาวนาคือจเจริญสติแยกใจออกจากร่างกายให้ใจหยุดคิดชั่วขาวจะได้ จะได้หายทุกข์ชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาพอจะมาคิดก้หัดคิดด้วยปัญญาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในนี้ในโลกนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราถ้าไปอยากให้เขาเที่ยงอยากให้เป็นของเราเราจะทุกข์ทันทีถ้าเราไม่อยากจะให้ไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องอย่าไปอยากให้เขาเที่ยงอย่าไปอยากให้เขาเป็นเเป็นของเราเปตลอดจะต้องมีการจากกันไปในที่สุด แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรอีกต่อไปนี่แหละคือความความความหมดทุกข์อย่างถาวรต้องหมดในระดับภาวนาระดับศีลก็ช่วยกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการทำบา ระดับทานก็เกิดช่วยกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการใช้เงินตามความอยากต่างๆแต่จะให้ความทุกข์ต่างๆหมดสิ้นไปจากใจนี่ต้องไปภาวนาะต้องไประดับภาวนาะแต่เราก็ต้องทําจากจากเปลือกเข้าไปหาเม็ดการที่เราจะปอกผลไม้การที่เราจะถึงเม็ดของผลไม้ได้นี่เราต้องปอกเปลือกก่อนปอกเปลือกแล้วก็ถึงไปแกะเนื้อออก ถึงจะไปทำลายเม็ดมาล็ดที่อยู่ข้างในได้จะในความทุกข์ของใจของพวกเราก็มีอยู่สามระดับเนี่ยระดับทานระดับศีลระดับภาวนาเราเลยต้องทำจากระดับนอกเข้าไปสู่ระดับในระดับนอกก็คือระดับทานถ้าเรายังชอบใช้เงินทองซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหรายังใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆอยู่ก็ต้องเลิก เอาเงินม า, มาซื้อความสุขแบบที่ไม่มีโทษคือการมาทําบุญทําทานนทําที่ไหนก็ได้ไม่ต้องทําที่วัดก็ได้ทําที่โรงเรียนทําที่โรงพยาบาลทําที่บ้านก็ได้ทํากับพ่อกับแม่ทํากับพี่กับน้องก็ได้ขอให้เอาเงินที่จะไปซื้อความสุขต่างๆด้วยความอย่างนี้เอาไปทําบุญทําทานแล้วก็รักษาศีลอย่าเบียดเบียนกันอย่าฆ่ากันอย่าทําลายกันแล้วมีเวลาว่างก็ไปหาที่สงบไป ฝึกสติแยากกายออกแยกใจออกจากกายแล้วพอแยกได้แล้วก็มาสอนใจเวลามารวมกับร่างกายว่าอย่าไปยึดอย่าไปถือกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่ใช่เป็นของเราถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราอย่าไปยึดไปถือว่าเที่ยงอย่าไปถือว่ามันเป็นของเรา ให้ปล่อยวางตามความเป็นจริงแล้วใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยแล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเพราะเมื่อเราไม่มีความทุกข์เราก็ไม่ต้องไปหาร่างกายมากำจัดความทุกข์ต่างๆเหมือนที่เรากำลังทํากันอยู่ในขณะนี้พอร่างกายนี้หมดไปเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้มากาจัดความทุกข์ที่ในใจแต่มันไม่ใช่เป็นวิธีกาจัดความทุกข์ จับเป็นวิธีเพิ่มความทุกข์ถ้าเราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการกำจัดความทุกข์เราต้องใช้ทานศีลภาวนาเป็นเครื่องมือเท่านั้นความทุกข์ต่างๆถึงจะหมดไปได้การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวารรวาหาปุราปาริปุเรนติสาขะลัง เอวเมวะอิโตทินามเปตาหนังอุปกปติอิชิตังปฏิตามตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพบุเรนตุสังกะปาจันโทปนะหราโสยะธามณีโชติหราโสยะธาสัพพิตโยวิวัชานตุ สัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวโตอันตรายุสุขีทีขายยโกภวะอะพิวาธนสีริสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรมมาวะทานติอายุวันโอสุขังพาลัง วันนี้เข้ามาเท่าไรทางเฟ c e b o o สองร้อยแปดสิบแปดคน y o u t u สองร้อยสิบสี่คนพิธยาจุออนไลน์ยี่สิบเจ็ดคนผู้รับฟังบนเขาสองร้อยยี่สิบเอ็ดคนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยห้าสิบคนครับช่วงนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ตอนนี้เอาคำถามจากทางบ้านก่อนก็ได้คำถามจากทาง a ฟซบ o ๊กค่ะจากคุณกัญยกรระหว่างคนรวยกับคนที่เป็นโสดาบานันใครจะประเสริฐกว่ากันเจ้าคะแล้วถ้าคนที่เป็นโสดาบานันยังต้องการจะมีชีวิตครอบครัวจะผิดหรือไม่เจ้าคะ อ๋อไม่ผิดหรอกพระโสดาบันก็ยังมีมีกามราคะอยู่ยังไม่ได้กําจัดกามราคะยังเห็นคนนั้นสวยคนนี้หล่ออยู่เห็นแล้วก็ยังอยากจะได้เขามาเป็นแฟนมาเป็นคู่ครองอยู่ระหว่างคนรวยกับพระโสดาบันคนรวยนี่ยังถือว่าเป็นปุถุชนเป็นผู้ยังติดอยู่ในสังสารวัตกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ถมงแม้จะรวยขนาดไหนเดี๋ยวเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายความทุกข์มันก็ไม่ต่างจากคนจนความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายนี้ไม่ว่าจะรวยจะจนนี่ทุกข์เหมือนกันดีไม่ดียิ่งรวยยิ่งทุกข์กว่าคนจนมันไม่มีอะไรจะทุกข์มันตายไม่มีอะไรจะเสียคนรวยเนี่ยมันเวลาตายมันจะเสียมากมันก็เลยจะทุกข์มากแต่สาหรับพระโสดาบันนี่ฉันปรงได้ ท่านปล่อยวางร่างกายได้ท่านเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวท่านท่านไม่ได้เป็นร่างกายท่านเป็นจิตใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายท่านก็เลยไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายพระโสดาบันก็ประเสริฐ ก, กว่ามหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็ท่านก็จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้าเป็นมหาเศรษฐีระดับโลก สลับหนึ่งของโลกก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแบบนับไม่ถ้วนต่อไปคำถามจากทาง YouTube ค่ะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีพระบอกหนูว่าอย่าไปทำให้คนอื่นแตกความสามัคคีกันเป็นอนันตยกรรมบาปหนักกว่าประราชิกเสียอีกจริงหรือไม่เจ้าคะคือถ้าแตกแยกนี้ต้องไปทำให้สองแตกแยก ถึงถือว่าเป็นอนันตริยกรรมเช่นพระเทวทัตเป็นตัวอย่างของผู้กระทำอนันตริยกรรมไปยุโยงให้สงฆ์นี้มีความแตกแยกฝ่ายหนึ่งไม่เชื่อพระพุทธเจ้าอีกฝ่ายหนึ่งเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าแตกแยกแบบนี้ถึงจะเรียกว่าทำให้สงฆ์แตกแยก ถึงจะเรียกว่าเป็นอนันตฤยกรรมแต่ถ้าไปยุให้สามีภรรยาเ้าเลิกกันนี่ไม่ถึงกับอนันตฤยกรรมอันนี้เป็นบาปอยู่แต่มันยังไม่ได้เป็นบาปขั้นหนักคืออยากจะได้สามีเขาก็เลยไปยุให้สามีเลิกกับภรรยาจะได้ <c oughs> อย่างนี้ก็บาปนะเพราะอันนี้เรียกว่าเป็นการพูดส่อเสียด การพูดยุยงให้ผูื่นแตกสามความสามะเขนนี้เรียกว่าการพูดส่อเสียดนะไม่ควรพูดอยู่ในอยู่ในกุศลบททางวาจามีอยู่สี่คือพูดปดพูดคำหยาบพูดเพราเจอพูดส่อเสียดเนี่ยไม่ควรจะพูดเป็นบาปจะทําให้อไปอบายได้เวลาที่ตายไปแล้ว คำถามจากคุณการตูนค่ะมีเรื่องของผู้ติดต่อกับเทพได้เทพมีการแฝงใช้ร่างมนุษย์เพื่อช่วยเหลือผู้คนเพื่อสร้างบารมีเป็นเรื่องจริงแค่ไหนครับบางครั้งเทพก็เป็นคนในประวัติศาสตร์เช่นเทพกวนอูบางเทพก็เป็นบุคคลในตัวละครในเรื่องตำนานเช่นเฮงเจียเทพต่างเหล่านี้มีจริงหรือไม่อย่างไรครับ เทพจริงก็มีเทพเพทพปลอมเทพสร้างกันขึ้นมาเป็นนิยายก็มีเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่เราได้ยินนี้มันเป็นพวกนิยายกันมากกว่าเทพจริงนี้จะมีคนรู้จักน้อยเพราะคนที่มีตาทิพย์ที่สามารถจะติดต่อกับเทพจริงได้นี่มีน้อยเทพจริงต้องเทพที่เราได้ยินในในพระไตรปิฎกเนี่ยบเป็นเทพจริงพระพุทธเจ้าแสดงทําให้กับเทวดา เอต่างๆแม้แต่พุทธมารดาก็เป็นเทพนะสแสดงธรรมจนบรรลุปเป็นพระสวดาบาล น, นี่คือเทพจริงแต่เทพที่เราได้เจอกันในจอทีวีนี้ส่วนใหญ่เป็นเทพปลอมเป็นเทพเขาปรุงแต่งสร้างขึ้นมาเป็นนิยายไม่ใช่เป็นของจริงถ้าอยากจะรู้ของจริงต้องไปศึกษาจากพระตไตรปิฎก คำถามจากคุณเชอรี่คะ่ะการที่เราทำบุญโดยการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับคนยากจนหรือคนพิการที่เขาต้องการความช่วยเหลือโดยที่เราเห็นภาพหรือทราบข่าวจากสังคมออนไลน์อย่างเช่นเฟ e b o o กการที่เราทำบุญไปโดยที่มีเจตนาต้องการช่วยเหลือย่อมเกิดบุญกุศลแต่ถ้าหากเงินที่เราทำบุญไปแล้วนั้น คนเหล่านั้นนําไปใช้ใจ่ายสุรุยสุร่ายหรือไม่ตรงวัตถุประสงค์แบบนี้กําลังบุญจะมากน้อยเพียงใดเจ้าคะกําลังบุญเท่าเดิมเพราะว่ากําลังบุญอยู่ที่กําลังการเสียสละของเราเสียสละมากกําลังบุญก็มากความรู้สึกมีความสุขก็มากเสียสละน้อยความรู้สึกความมีความสุขก็จะน้อยส่วนผู้รับเขาจะไปทําอะไรนี้ไม่เกี่ยวกับเรา ถ้าเรารู้ก็เพียงแต่ท้าสอนให้เรารู้ว่าไม่ควรจะทำกับเขาถ้าเขาเอาเงินไปใช้แบบผิดจุดประสงค์แทนที่จะไปทำประโยชน์ให้แก่สังคมให้กับผู้ที่เดือดร้อนกับเอาไปทำประโยชน์ให้กับตนเองถ้าเรารู้เราก็อย่าไปทำกับเขาเท่านั้นเองแต่บุญที่เราทำไปไม่หายไปไหนเพราะบุญของเราไม่เกี่ยวกับผู้รับเกี่ยวกับการให้ของเราการเสียสละของเรา งั้นสบายใจได้ทำบุญไปแล้ว อ, อย่าไปกังวลว่าเขาจะไปใช้อย่างไรคือก่อนจะทำเราก็ต้องมีศรัทธาความเชื่อว่ า, เ, าเขาทำตามที่เขาบอก เ, อเราก็ทำไปแล้วอย่าไปคิดอย่างอื่นถ้าเราไม่รู้ความจริงจะทำให้บุญของเราสั่นคลอนได้เพราะจะทำให้เรามีความวิตกกังวลหรือเสียดายขึ้นมาได้ งั้นทำไปแล้วอย่าไปเสียดายคิดว่าเราคิดดีแล้วรอบคอบแล้วเป็นประโยชน์แล้วเราก็ทําไปแต่ถ้าเรามาทราบในภายหลังว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดอย่างที่เขาบอกเราก็อย่าไปทํากับเขาเท่านั้นเองเราก็ยังจะไม่บุญที่เราทําไปก็ยังไม่หายไปไหนตอนนี้คำถามหมดแล้วหมดแล้วนะเออ การทำบุญนี้จะมีมีอนิสง์มากได้ผลมากก็อยู่สองสองส่วนด้วยกวันส่วนหนึ่งก็คือปรมิมาณของการเสียสละของเราทำบุญพันบาทกับร้อยบาทเนี่ยพันบาทมันต้องมีความรู้สึกสุขมากกว่าพันกับร้อยบาทในตัวของคนคนเดียวกันนะอย่าไปเปรียบกับคนอื่นแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คืออยู่ที่ความบริสุทธิ์ใจของเรา ว่าเราทำแล้วเราไม่ต้องการผลตอบแทนจากผู้รับเนถ้ายังมีการอยากจะได้ผลตอบแทน mm hmm. เช่นอยากจะให้เขาขอบคุณเราอยากจะให้เขาสำนึกในบุญคุณของเราหรย อ, อยากจะให้เขาประกาศชื่อของเราว่าเราได้ทำบุญแค่นั้นแค่นี้อันนี้แสดงว่าใจเราไม่บริสุทธิ์แะเรามีอมามิสเราต้องการผลตอบแทน ถ้าเรามีแล้วเดี๋ยวเกิดเวลามันไม่ได้ดังที่เราต้องการมันจะทําให้เราเสียใจแทนที่จะสุขใจจากการทาบุญกลับมาเสียใจเพราะเขาไม่ประกาศ ช, ชื่อของเราโ อ, อ้นั่งลอนั่งฟั ง, ฟ, งฟังแล้วฟังอีกยังไม่ประกาศสักทีพอดีหมดเวลาเขาเลยไม่ได้ประกาศนี้ก็เลยเสียใจแทนที่ทาบุญแล้วจะมีความสุขใจก็เลยกลับไปเสียใจเพราะใจไม่สะไม่บริสุทธิ์ทาไปแล้วก็อย่าไป อย่าไปได้รับผลตอบแทนหรืออย่าไปอยากให้เขาทำตามที่เขาพูดหรือเขาหรือที่เราคิดว่าเขาจะทำเพราะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ทำก็ได้หรืออาจจะไม่ได้ทำเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อาจจะไม่มีเจตนาเช่นอาจจะเงินที่ได้มามันมากกว่าที่เขาจะเอาไปใช้ในที่เขาประกาศไว้เขาก็อาจจะเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นต่อไปเราก็คิดว่าก็ใช้ได้ก็เป็นบุญเหมือนกัน อย่าไปจับเจาะจงว่าต้องอบริจากสร้างพระพุทธรูปแล้วต้องเอาไปสร้างพุทธรูปพอดีเงินเขาเกินเขาก็เลยเอาไปสร้างฐานพระพุทธรูปแทนอย่างนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันอย่าไปผูกมัดกับเงื่อนไขต่างๆอย่ามีเงื่อนไขต่างๆเวลาให้ขอยให้อย่างไม่มีเงื่อนไขอย่างที่ในหลวงเราก้าท่านบอกให้ทาบุญแบบปิดทองหลังพระนั่นนะดีที่สุด เป็นทางหลังพระไม่ต้องให้ใครรู้ใครรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ขอให้เราเราทำเพื่อความสุขความสบายใจของเราก็แล้วกันทำพอเราได้เสียสละเข้าของเงินทองของเราแล้วเราก็มีความสุขแค่นี้ก็พอแล้วแต่ถ้าเรามีเงื่อนไขว่าจะต้องติดชื่อเราที่หน้าประตูโบสถ์ต้องมีการประกาศต้องมีการส่งใบอนุโมทนาบัตรมาเพื่อจะได้ไปลดหย่อนภาษีอันนี้เป็นการลด ลดทอนบุญที่เราทำไปเช่นทำบุญร้อยบาทไ่ขอลดหย่อนภาษีสิบบาทก็เลยทำบุญจริงๆแค่เกนะ้าสิบอย่าไปคิดว่าเรากำไรเรขาดทุนนะเราได้เงินคืนมาแต่เราไม่ได้บุญคืนมานะบุญเราต้องเสียไปเพราะแทนที่เราจะทำร้อยเราก็ทำแค่เกนะ้าสิบแล้วให้รัฐบาลช่วยทำอีกสนะิบ ด น, นเวลาทำบุญนะอย่าไปขอบัตรอนุโมทนาไปขอลดหย่อนภาษีเสียเวลาเปล่าๆเอาได้เงินคืนถ้าอย่างนั้นก็ทำมันแค่เก้าสิบก็แล้วกันจะได้ไม่ไปขอลดหย่อนเสียเวลาใช่ไหมนี่แหละคือเรื่องของการทำบุญที่มีผลกระทบต่อผลของมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราทำแบบมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขเราทามากหรือทาน้อย บนก็จะมีผลต่างกันไปตามเหตุเหล่านี้ยังไม่มีคำถา ม, มเข้ามาคำถามจากอิ b บ็อกครับคำถามที่หนึ่งตามประเพณีของคุณจีนไวนหวบรรพรุรุดเผากระดาษเงินกระดาษทองบรรพระรุดได้รับไหมครับอ๋อมันเป็นการสอนผู้ที่อยู่มากกว่าสอนให้ผู้ที่เป็นลูกหลานให้มีความเคารพ มีความกะตันอยู่ต่อบรรพบรุษผู้ที่อยู่ที่เป็นผู้ที่มีผู้สูงอายุก็ไปทำบุญไปให้กับผู้ตายเป็นการเป็นการสอนให้สํานึกถึงพระคุณของผู้ที่มีพระคุณและให้ตอบแทนเพียงแต่ว่ามันทำไม่ถูกตรงที่ว่าไปตอบแทนตอนที่เขาตายแล้วควรจะตอบแทนตอนที่ก็ยังอยู่ ในตอนที่พ่อแม่อยู่นี่คนจะเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ดีทดแทนบุญคุณพ่อแม่อย่าทอดทิ้งอย่าปล่อยปละละเลย ไ, ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวร อ, อให้เขาตายก่อนแล้วค่อยไปทดแทนบุญคุณที่หลุมศพถ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่ถูกวิธีนะแล้วการเผาอะไรต่างๆนี่ก็เป็นการสอนคนอยู่ว่านี่แหละเวลาปัสสายไปเข้าของที่เราได้มาเอ ถ้าเราอยากจะให้มันติดตัวเราไปเราก็ต้องเอาไปทำบุญเมื่อเราทำบุญแล้วเดี๋ยวรถก็จะตามเราไปบ้านก็จะตามเราไปคือรถทิปยางไงบ้านทิปอะไรต่างๆ เนี่ยถ้าเราทำบุญแล้วเวลาเราอยู่ในโลกทิพย์เราจะใช้การเนรมิตด้วยใช้อำนาจของบุญนี่เป็นเครื่องเนรมิตเนี่ยอยากได้อะไรก็เนรมิตขึ้นมาอยากได้แฟนสวยๆหล่อๆก็เนรมิตขึ้นมาอยากจะได้รถเกง๋งรถเบนซ์อะไรก็เนรมิตขึ้นมาได้ชาวจีนเขาเลยเอาของพวกนี้มาเผาบอกว่าเนี่ยของพวกนี้จะเอาติดตัวไปได้ต้องเอาไปทำบุญแต่เขาไม่เข้าใจกันเขาก็คิดว่า เผาพวกกระดาษนี่แล้วพวกกระดาษนี้ก็จะกลายเป็นรถทิพย์กลายเป็นบ้านทิพย์ไปแต่ความจริงมันต้องเกิดจากการทำบุญทาบุญแล้วเราก็จะมีของทิพย์ติดไปกับเราคำถามที่สองครับเอาเงินสดใส่บาตรพระบาบไหมครับคนใส่ไม่บาบเลยแต่คนรับผิดกฎ ปิดระเบียบพระโพธิจ้าห้ามรับเงินทองถ้าจะให้เงินทองกับพระต้องให้กับลูกศิษย์ที่ที่เดินติดตามมาฝากกับลูกศิษย์ไว้แต่บอกกับพระให้รู้ก่อนหรือยวไม่ก็เขียนกระดาษอย่างที่ญาติโยมเขียนกระดาษใส่มานี่พระรับกระดาษได้รู้ว่าญาติโยมถวายเท่าไหร่เดี๋ยวเงินทองก็ให้ลูกศิษย์เก็บเอาไว้ ล้วพอต้องการเงินทองใช้ก็สั่งให้ลูกศิษย์ไปซื้อมาให้พระไม่ให้ซื้อของเองไม่ให้ใช้ใจ่ายเองอยากจะได้อะไรต้องการอะไรต้องมีลูกศิษย์เป็นคนที่ไปจัดการให้คำถามที่สามครับจิตใจร้อนรุ่มด้วยความแค้นมากๆค่ะรู้สึกอยากให้อีกฝ่ายชิบหายไปคือแค้นและเกลียดที่โดนหักหลัง ความไวเนื้อเชื่อใจมากมาเลยค่ะนั่งสมาธิไปก็มีเถียวความแค้นคุกกรุ่นทํำยังไงดีคะก็ต้องให้อภัยแผ่เมตตาเอาเวลาหนตุกแปลว่าไม่จองเวรจองกรรมกันวิธีที่เราจะไม่จองเวรจองกรรมก็คิดว่ามันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วเราก็ไปเปลี่ยนมันไม่ได้เราไปแค้นเขาก็เราก็จะเกิด เสียเสียสองเดงเสียเงินเสียทองแล้วต้องมาเสียใจก็ถ้าเรารู้ว่าความมาค่าพยายามนี้มันเป็นพิษเป็นภัยกับเราเราต้องมองให้เห็นว่ามันเป็นพชรเป็นภัยกับเราเราถึงจะสามารถที่จะดับมันได้ด้วยการให้อภัยเพราะเราไม่ต้องการที่จะทุกข์ทางใจด้วย ทุกทางทางการเสียเงินทองแล้วก็ยังต้องมาทุกกับความเสียใจอีกทุกกับความเสียใจนี่เราลังอับดับได้ด้วยการให้อภัยถือว่าเป็นการใช้นี่เก่าไปก็ได้คิดว่าชาติก่อนเราเคยหักหลังเขามาชาตินี้เขาอะไรก็มาหักหลังเราเออก็ถือว่าเป็นการใช้นี่ไปหรือว่าเป็นเรื่องของสุดวิสัยที่เราทำอะไรไม่ได้เหมือนกับน้าท่วมไฟไหม เวลาน้ําท่วมไฟไหม่เราไม่ไปกอดน้ำกอดไฟไม่ว่ามันมาหักหลังเรามันมาทําลายทรัพย์สินของเราแล้วก็คิดว่าคนที่เขามาหักหลังเรามาเอาทรัพย์สินเราไปก็ถือว่าเป็นเหมือนไฟเหมือนน้ําก็แล้วกันถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่ทุกข์กับเขาให้อภัยเขาได้ไม่จองเวรจองกรรมกันได้ต่อเบีย่ยงค่ะ ข, ขออนุญาตค่ะท่านอาจารย์ ก็วันนี้ที่ท่านท่านเทศนะคะเรื่องทําทําทุกข์ให้หายนะคะที่บอกว่าก็คือก็วางชุบวางช่วงก็คือฝึกฝึกโดยการแยกจิตออกจากร่างกายใช่ไหมคะหลังจากนั้นถ้าเกิดเกยางโยมยังต้องทํางานเนี่ยก็คือในช่วงที่ทํางานก็ยังต้องใช้ความคิดเนี่ยท่านก็บอกว่าให้คิดฉลาดในด้านความคิดก็คือคิดอะไรที่ไม่ทําให้ทุกข์แต่ในคือโยมอ่ะปรากฏว่า พิมพ์เวลาก็จะพยายามทำนั่งสมาธิให้มากที่สุดนะคะแต่พอคิดเนี่ยก็คือ น, นิสัยดั้งเดิมเนี่ยมันก็จะคิดไปในทางที่ทุกข์หรือคิดในทางที่ผิดอะคะ่ะซึ่งมันไม่ค่อยเวิร์กกับที่บอกว่าจะคิดในทางที่ไม่ให้ทุกข์อะคะ่ะถ้ า, ถาคิด<ะ>ไม่ได้ก็ต้องใช้พุโทโธหยุดมันแทนไปเพราะ<อ>มันตีเลยใช่ถ้ามันจะทุกข์พอคิดไม่ดีก็พุโทโธไปก่อนหยุดคิดก่อนอ คือถ้าแยกไม่ได้ว่าอันไหนคื อ, อความคิดที่ฉลาดากับไม่ฉลาดก็กให้ ช, ยชายผู้โทธหยุดไปก่อนถ้ามันทำให้เราทุกข์เราคิดแล้วเราทุกข์ก็หยุดความคิดก่อนถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดให้เป็นความคิดที่ไม่ทุกข์ได้ แม้แต่ช่วงทํางานก็ต้องอต้อ ง, ต, องต้องปีดเวลามาพุโทโธสักหนาทีอย่างนี้ก็ยังดีเข้าห้องน้ําไปขอตัวเข้าห้องน้ําไปแล้วก็ไปพุโทโธพุโทโธหยุดความคิดที่ไม่ดีเช่นหยุดความโกรธเพราะเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นละมันเราก็โกรธแต่พอเรากลับมาพุโทโธพุโทโธแล้วมานั่งคิดว่าเออเราไปอยากให้ส้มมันเป็นกล้วยหนิวะออ ไม่ได้ก็อย่างนี้ก็อย่าไปอยากมันมันปล่อยมันเป็นไปเอเมื่อเราทํามันไม่ได้ก็อย่าไปอยากนั่นเองมันก็หายทุกข์ได้อต้องมีเวลาพักไปไปพักสติไปมีเหมือนกันนักมวยเวลาอยู่วนเวทีมันถูกต่อยเอาต่อยเอามันจระทั่งมันไม่มีเวลาที่จะคิดตอบโต้ ก็ต้องไปให้เขาตีระรังขอพักสักสองสามนาทีกินน้ำแล้วก็มานั่งคิดว่าเมื่อกี้เราทำผิดพลาดอย่างไรต้องถอนตัวออกจากเหตุการณ์ถ้าไม่สามารถที่จ ะ, ะเปลี่ยนความคิดที่ไม่ดีได้ก็ไปปีกตัวไปหยุดความคิดที่ไม่ดีก่อนแล้วพอหยุดแล้วก็อาจจะได้สติขึ้นมาได้คิดว่าอ๋อเมื่อกี้เราคิดผิดคิดไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เเมื่อมันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงไปอีกเรื่องค่ะก็ขอขอคลีฟายก็คือเรื่องคือเวลายมนั่งสมาธิโยมก็คือคิดไม่แน่ใจว่าเหมือนกันที่ท่านเทศหรือเปล่าคือก็จะบอกว่าให้ให้จิตเนี่ยแยกกับร่างกายเพราะร่างกายของคนเราแม้แต่สมองนี่คือซีพชนิดหนึ่งมันมันตามขันห้าแล้วก็มันไปตามกรรมเวรที่ผ่านมาแต่อดีตชาติอันนี้คิดถูกไหมคะ ไม่ถูกหรอกเวลาทำสมาธิไม่ไม่ควรคิดคิดแบบนี้มันจะไม่แยกมันไม่สงบวิธีแยกต้องให้มันคิดอยู่เรื่องเดียวแล้วมันถึงจะแยกออกจากร่างกายได้เข้าสู่ความสงบได้ เนี้ยก็คือแค่คิดพุดโทโธไม่ต้องคิดอะไรต่างพุโทโธอย่างเดีย ว, ยยวถ้ายังพุโทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนสวดเพื่อให้ลดความคิดต่างๆเบาลงเอาความคิดต่างๆเบาลงพุโทโธได้ก็พุโทโธหรือดูลมได้ก็ดูลมเพื่อจะได้หยุดความคิดมันถึงจะนิ่งเมื่อนิ่งแล้วน่ะมันถึงจะแยกถ้าเรามานั่งคิดว่าเรากับร่างกายเป็นคนนานมันก็ยังคิดไปอย่างนั้นคิดไปแล้วมันจะไม่แยกค่ะ